คือเรื่องของท่านนะอย่างในคาถาธรรมบทภาละวักวันานาเรื่องที่สิบเอดกล่าวว่าได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะในอดีตการเนี่ยนะกุดมพีเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็สร้างวิหารเนี่ยถวายแก่พระเถระรูปหนึ่งบำรุงพระเถระอยู่ในวิหารนั้นด้วยปัจจัยสี่เนี่ยนะก็คือพระรูปนี้แสดงว่าก็มีดีนะเขาจึงเลื่มใสก็เลื่มใสก็สร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ แต่ว่าอดีตชาติของพระรูปนี้เคยทําบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถวายพัดเนี่ยนะถวายพัดถวายอะไรเพื่อเป็นพุทธบูชาและตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลเอาไว้เพราะในชาติหลังมาท่านก็ได้บวชในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะพอได้บวชก็ท่านรูปนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเขาก็เลยสร้างที่อยู่ให้พระเทเรนั้นก็ฉันในเรือนกุดุมพีนี่เป็นนิดครั้งนั้นภิกษุขีณาศบรูปหนึ่งเที่ยวไปบิณทบาตในเวลากลางวัน นะถึงประตูเรือนของกุดุมพีนั้นนะคือคือสมัยที่แสดงว่าศาสนายังรุ่งเรืองอ่ะนะมีพระอรหันต์อยู่เยอะเนี่ยนะพระอรหรันต์ก็คือในสมัยที่มีพระอรหรันตะ์เนี่ยนะก็ไม่มีมีใครรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหรันต์อันพระอรหันต์ท่านก็ไปบินธบัติเนี่ยนะก็เหมือนกับพระพิสุท์ทั่วไปนั่นเองนี่กุดุมพีเห็นพระขีนาศบแล้วก็เลยเลื่อมสายในอิริยาบดของท่านเพราะว่า พระอหารเนี่ยท่านจะมีอากัปกิริยาโดยรวมๆแล้วนะเลื่อมสายเนี่ยนะก็เลยนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนอังค่าด้วยโภชนะอันประนีตโดยเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่เนี่ยนะก็ผ้าสาดกก็คือพวกผ้าผ้าแบบผ้าขาวนะผ้าขาวผืนใหญ่ๆแล้วก็เรียนว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกนี้นุ่งเถิด แล้วก็เรียนต่อไปว่าท่านผู้เจริญผมของท่านยาวผมจักนำช่างกระบกมาเพื่อประโยชน์แก่อันปลงผมให้ท่านนะก็เห็นผมยาวเป็นหนักกันเเออน่าจะปรงได้แล้วงั้นก็เป็นเป็นผู้จัดแจงในการทาบุญส่วนนี้หมดแล้วก็ให้จัดเตียงมาเพื่อประโยชน์แก่การนอนนี่นะนะนะก็นิมนต์ไปพักอยู่ที่ที่วัดที่ตัวเองสร้างเอาไว้นั่นแหละนะพิสุกุลุปะกะกุลุปะกะคือ กุระบวกอุปการก็คือเป็นที่สูที่เข้าไปใกล้ตระกูลเนี่ยนะคือเป็นพระที่เจ้าวาประจำที่คุ้นเคยกับโยมเนี่ยมากก็เป็นผู้ชันอยู่ในเรือนนั่นนะเป็นนิดเห็นสักการะนั้นของพระขีนาศพก็ไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสไดะนะ้คือเขาบอกว่าพระกับพระนะเห็นเขอยโยมเขาทำบุญกับพระองค์นั้นน่าจะยินดีไปกับเขาอะ่ะแต่ไม่อะ่ะไม่ชอบเลยจิตไม่เลื่อมใสก็แปลว่า โทสะเนี่ยเกิดขึ้น น, น, นะก็เลยคิดว่ากูดุมพีนี้ทำสักการะเห็นปานนี้แก่ภิกษุผู้ที่ตนเห็นแม้ครู่เดียวแต่ไม่ทําแก่เราผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิษณัยริษยาเกิดขึ้นนะครับทาไมไม่ทําแก่เราบ้างเลยทําไมไปทําให้กับพระมาใหม่เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเห็นรู้จักอะไรกันเลยทําไมไปเลื่อมใสขนาดนั้นพอฉันกันเสร็จนะเห็นกิริยาที่ที่โยมเขานับถือพระอีกรูปหนึ่งก็ทั้งคู่ก็ได้กลับไปวิหาร แม้พระขีณาศพรูปนี้นะผ้าอรหันท่านก็ไปกับพิสูจน์นั่นแหละย้อมผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายแล้วก็นุ่งกุดุมพีก็พาช่างกลระบกไปให้ปลงผมพระเทเรให้คนลาดเตียงไว้แล้วก็เรียนว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงนอนบนเตียงนี่แหละนีมนพระเทเรทั้งสองรูปเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นแล้วก็หลีกไปนะก็คือตอนเย็นนะก็กลับไปบ้านพิสูจนเจ้าถิ่นก็ไม่อาจจะอดกลั้นสักการะที่กุดุมพีนั้นอะทำแก่พระขีณาศพได้นะ คือก็คือไม่พอใจเอามากเลยนะก็เครียดโทสะเนี่ยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเห็นพระขี่นาศพเนี่ก็เหมือนกับ น, น้ําเนี่ยตำตาแล้วใช่ไหมไม่ชอบพระขี่นาศพแล้วคนี้แต่ี้ถ้าไม่ชอบคนทั่วๆไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยเนอันนี้คือเรียกว่าอุบัติมันกําลังจะเริ่มจะเกิดขึ้นเนี่ยนะความชั่วร้ายทั้งหลายแหละก็จะเริ่มจะเกิดขึ้นเนี่ยจากโทสะอ น, นะจิตดวงนี้มีโทสะเป็น เป็นมูลใช่ไหมกับโมโทสะกับโมหะเนี่ยเป็นมูลริสยาก็เข้ามาแทรกนะนะแล้วในขณะเดียวกันก็มัชชิยะในที่อยู่ด้วยคือคือตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ในวัดนั้นใช่ไหมถ้าพระรูปนี้มาอยู่เข้าเอ๊เดี๋ยวตำแหน่งของเรานี่ก็เสียหายตรณีในที่อยู่ริสยาในลาบของพระพิสุรูปนั้นเนี่ยนะเรียกว่าริสยาสังโยชน์กับมัชชิยะสังโยชน์เนี่ยเล่นงานเต็มที่ ก็เลยด่าพภาคันตุกะเนี่ยนะด้วยวจีทุจริตสอย่างอันนี้อายุประวัตก็เกิดขึ้นก็ด่าว่าอาคันตุกะผู้มีอายุเหมือนกันท่านจงเคี้ยวกินคูดประเส ร, ริฐกว่าการบริโภคพัดในเรือนกุดุมพีเนี่ยนะไปกินอุจระไปเหมือนกันข้สองให้ท่านเนี่ยถอนผมด้วยแปลงตาลประเสริฐกว่าการปลงผมด้วยช่างกะระบกที่กุดุมพีนํามาถอนผมเนี่ยไปถอนเอาอย่าไปโกนเลยเหมือนกัน ท่านเนี่ยเปลือยกายเที่ยวไปประเสริฐกว่าการนุ่งผ้ากาสาผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายแก้ผ้าไปท่านเนี่ยนอนเหนือแผ่นดินประเสริฐกว่าการนอนบนเตียงที่กุดุมพีมาเนี่ ย, น, ยนั่นก็บอกโอ้นอนดินเลยนะ ค, คือคือคําพูดประเภทนี้นะถ้าถ้าบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะปกติแล้วคนที่ใช้วาจาลักษณะนี้ก็มีไม่น้อยเนี่ยนะก็อย่างพระสุเนศเนี่ยพระสุเนศเทระอดีตชาติท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ใช่ไหม ไปเห็นพระรูปหนึ่งท่านเดินบินธบาติพระประเจกะนะก็เห็นเข้าก็นึกด่าขึ้นว่าโอ้ยโน่นน่ะไปถ้าไม่มีอาชีพอะไรโน่นน่ะไปขนอุจจาระโน่นน่ะไปเป็นคนหาอุจจาระไปก็นะ่ากรรมาในชาติหลังก็ทําให้ท่านได้หาอุจจาระจริงๆนะเกิดมาแค่อาชีพขนดอกไม้นะอ่านเจอในพระไตรปิฎกคําว่าขนดอกไม้ไม่ได้แปลว่าขนดอกไม้หรอกแบบก็คือดอกไม้อะอุจจาระแล้วเอาดอกไม้วางข้างบนแล้วก็ทูนบนหัวเอาไปทิ้งอะนะก็เลยเรียก อ, อาชีพเทดอกไม้เนี่ยนะ ขนดอกไม้จริงก็คือขนอุจาระนั่นแหละแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอ่ในพระเถรีทั้งหลายเนี่ยก็หลายๆท่านก็คือไปด่าพระอรหันต์หรือไปด่าคนมีคุณธรรมเข้ า, านะก็ด่าเป็นยังไงผู้หญิงก็ด่ากันก็เอ้าเป็นโสเพณีไปเถอะว่า ง, งั้นนะหรือหญิงแพทย์สยาคนไหนเนี่ยนะก็สมพรตากเลยใช่ไหมอย่างนาง้ำนางอัมพปาลีเนี่ยไปเห็นน้ําลายพระอรหันต์เข้าก็บอกโอ้หญิงแพทย์สยาคนไหนมาถมน้ําลายไว้ นั่นก็สมพรปากก็ได้เป็นแพทย์ยามหลายชาติด้วยกันนั่นก็คำพูดนี่ก็ที่ที่เกิดจากคริสยากับมัจฉริยะนะไอเพราะไอโทสะคิดประทุษร้ายเนี่ยที่ที่เป็นเหตุให้ล่วงคำอย่งางใดอย่างหนึ่งออกไปเนี่ย น, ะ น, นั่นมีโทษหมดเล ย, เ น, ยนะเพราะนนมันมุยมูลเป็นพิษ น, นะกายกรรมก็เป็นพิษวจีกรรมก็เป็นพิษตั้งแต่ตั้งแต่พูดขึ้น นี่ก็เลยด่าว่าไปกินอุจาระไปถอนผมด้วยแปลงตามไปเปลือยกายไปนอนบนแผ่นดินก็ด่าวด้วยสี่คำทีนี้ฝ่ายพระเถระก็คิดว่าคนพาณิย์นี่อยาชีพหายเพราะอาศัยเราเลยพาลรหันนี่รู้แล้วอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะคือตอนแรกท่านอาจจะไม่ได้มานัศกานก็ได้แต่ตอนหลังพอท่านมานัศกานก็รู้เลยว่าอ้ า, น ว, นน า, านวนี่เจ้าถิ่นเนี่ยบาปบอลนั่นนี่มันกันนี่ยตกนรกแง่อยู่แล้วมันกัน เพราะไม่เอื้อเฟื้อถึงการนิมนต์ท่านลุกขึ้นแต่เช้าตรูก็ไปตามสบายคือพอพอถูกเจ้าวาดด่าอย่างนั้นนะนะตอนเช้ามาเนี่ยท่านก็แต่งท่านก็ห่มผ้านุ่งเพราะท่านบริขารไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วท่านก็เท่าที่ถือไปได้ท่านก็ตื่นแต่เช้าเมื่อท่านก็ไปทั้งนั้นแล้วเหมือนกันฝ่ายพิสูจ์เจ้าถิ่นเนี่ยก็ไปทําวัดที่ควรทําในวิหารแต่เช้าตรูก็เคาะระฆังด้วยหลังเล็บเท่านั้นได้เวลาฉันก็แอบไปเคาะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะไปอะไรกันนะ ก็ด้วยความสําคัญว่าเวลานี้เป็นเวลาเที่ยวพิคษาแบบนี้พิสุอาคารตุกะเนี่ยหลับอยู่เธอพึงตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วไปตื่นดังเนี่ยเออไปเคาะดังเดี๋ยวท่านจะตื่นก็เลยใช้หลังเล็บเนี่ยไปเคาะนิดๆหน่อยนะแล้วก็ไปสู่บ้านเพื่อบินทบัติกุดุมพีทำสการะแล้วก็ดูทางมาของพระเถระทั้งสองเห็นพิสุเจ้าถิ่นก็ถามว่าท่านผู้จเจริญพระเถระไปไหนทีนั้นพิสุเจ้าถิ่นก็กล่าวกับกุดุมพีนั้นว่า ผู้มีอายุอย่าพูดถึงเลยพิสูจนกุลุปะกาของท่านน่ะนะก็คนที่ใกล้ชิดตระกูลท่านอ่ะเข้าไปสู่ห้องน้อยในเวลาที่ท่านออกมาเมื่อวานเหมือนกันเถอก็ก้กาวลงสู่ความหลับเมื่อขับเจ้าทําเสียงกวาดวิหารก็ดีเสียงกรอกน้ําในหม้อน้ําฉันหม้อน้ําใช้ก็ดีเสียงะระฆังตั้งแต่เช้าตรู่ก็ยังไม่รู้สึก น, น, นะนะไปกินอาหารมากนอนหลับบนเตียงสบายไปแล้วเหมือนกันกุดุมพีนี่ก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าการหลับ ถึงการนี้อย่อมไม่มีแก่พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประกอบด้วยอิริยาบถสมบัติเช่นนั้นคือดูตามลักษณะแล้วนะคําพูดอันนี้เป็นคําพูดที่เสียดสีแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ลักษณะของพระแบบนั้นเนี่ยนะจะไปโว้ยนอนอะไรตื่นวันนี้ยังไม่ตื่นมันก็เกินไปแล้วแบบนั้นนะแต่ท่านผู้เจริญรูปนี้จะกล่าวอะไรอะไรแน่นอนเพราะเห็นเราทําสักการะแก่ท่านยอมนี่ก็ฉลาดนะนะรู้เลยว่าพระนี่ก็คงเขม็นกันแล้ว เพราะความที่ตนนี่เป็นบัณฑิตกุดุมพีนั้นก็เลยนิมนต์ให้พิสูจน์เนี่ยฉันโดยเคารพล้างบาทของท่านแล้วก็ใสโภชนะเนี่ยเต็มไปด้วยรถเลิศแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านพึงเห็นพระผู้เป็นเจ้าของกับผมก็เอาอาหารบิณฑบาตเนี่ยถวายท่านด้วยนะก็ฝากอาหารในบาทไปด้วยพิสูจนนอกนี้พอรับบิณฑบาตนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าภิสูจได้บริโภคบิณฑบาตเห็นปานนี้ไซายเธอก็จะกคล้องอยู่ในที่นี้เท่านั้นก็เลยทิ้งบิณฑบาตนั้นในระหว่างทาง เอาอาหารไปเทข้างทางแต่ก็มีเรื่องแบบนี้มีหลายองค์นะในศาสนาสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่มีหลายองค์อีกองค์หนึ่งเนี่ยไปเทไว้ในกองไฟนะอบอกว่าบาปอันนั้นเนี่ยเป็นคนที่กินไม่อิ่มท้องมาหลายชาติด้วยกันเนี่ยนะกินไม่อิ่มท้องหลายหลายชาติเลยอะตกนรกก็อยู่นานกินไม่อิ่มท้องบางครั้งเนี่ยบางจะอิ่มมื้อสุดท้ายคือมื้อจะตายเป็นสุนัข ก, ก็เป็นสุนัขไม่มีกินอะ ไปกินอาเจียนอิ่มอยู่ข้างเดียวก่อนตายเท่านั้นหวังกันเถอะตอนหลังท่านมาบวชเป็นพระพิสูจน์นะอีกรูปหนึ่งนะ่นไม่ใช่องค์นี้อีกรูปหนึ่งก็มาบวชเป็นพระพิสูจนเนี่ยท่านอิ่มอยู่มื้อเดียวคือมื้อปรินิพานชาติหลังเป็นธาตุหันนะคือพระรูปเนี่ยแปลกไปบินทบาตเนี่ยพอไปอยู่ข้างหน้าเขาก็สายให้ข้างหลังมันจะไปหมดกับพอดีกับของท่านานะ คือเข้าใส่ยังไงจะใส่กลางอะนะคนก็ต้องเว้นไม่ใส่ท่านเอาไว้อย่างเงี้ยบางทีก็เหลือบเหมือนกับมีอาหารอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่มีใครใส่บาดในท่านนั้นชาตินั้นเนี่ยไม่อิ่มตลอดชาติอะนะไปอิ่มมื้อเดียวคือมื้อจะปรินิพานนะขนาดเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยแต่ถ้าวันไหนท่านไปบินทบาทกับพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรยังบินทบาทไม่ได้เลย <laughs> ปกติพระสารีบุตรท่านโอยใครก็นิมนต์ท่านหมดอะนะเห็นแล้วก็ท่านไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่อยู่แล้ว แต่ว่าไหนลูกศิษย์องค์นี้ไปด้วยเนี่ยอาจารย์บินทบาตไม่ได้เลยวานนั้นนั่นสารีบทบินทบาตไม่ได้ไรรนนทไมกไปเป็นางอีกคนครับมันเป็นได้อยู่แล้วคนการแล้วกันนีนะครับไปที่ไหนพาคนอื่นเดือดร้อนหมดอ่ะก็คือจะมีนะครับไม่ต้องสมัยพุทธกาลหรอกสมัยเนี่ยเค ย, เคยผมเคยไปอยู่วัดหนึ่ง ก็มีพระด้วยกันหลายรูปเนี่ยนะก็อยู่ด้วยกันหลายรูปเวลาจะเดินทางก็มันรถโดยสารแถวนั้นไม่ค่อยมีมันก็อาศัยรถบกอะนะแต่ถ้าพระรูปนี้ไปยืนอยู่ใกล้ๆถนนนะโอ้โหไม่ต้องอะไม่ต้องเดินทางหรอกท่านไปอยู่ใกล้ๆก่อนไหมแล้วบก ร, รถได้แล้วท่านค่อยมาปะมาณนั้นบกรถได้แล้วองค์นั้นจึงมานะอก็มีบางองค์เนี่ยถ้าได้เดินทางมันต้องเดินทางจริงๆอะ <c oughs> นะเดินจนเท้าพองนั่นแหละจึงจะมีรถเขาจึงจะให้ถี่บ้างอะนะ มันลักษณะนั้นนะครับคือวิบากแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะพาอีกคนที่เคยวิบากดีๆไปกับคนวิบากไม่ดีนะครับมันเสียหายด้วยนะะเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยแค่ไปเกิดในคันของอสมมติเขามีเศรษฐีคนหนึ่งนะอนันทเศรษฐีเนี่ยอดีตชาตอะ่ะก็มัจฉริยะมากพอไม่เกิดในท้องแม่แม่ก็ขอทานอยู่แล้วนะพอไม่เกิดในท้องปั๊บเนี่ยตระกูลนี้ขอทานไม่ได้เลย เรียกว่าขอทานไม่ค่อยจะพอกินเลยนะตลอดจนถึงว่าอยู่ในคันเนี่ยแม่อดอยากตลอดเลยนะพอคลอดออกมาวันไหนพาลูกคนนี้ไปเนี่ยวันนั้นขอทานไม่ได้นะพังก็มันขนาดนะั้นอ่ะพาให้คนอื่นเดือดร้อนหมดนะก็ถามว่าเอ๊ะมันมันจะแรงขนาดนั้นหรือก็บอกครอบครัวใดมีติดยาบ้าสักคนเดียวนะคนอื่นก็พร้อมที่จะเดือดร้อนเต็มไปหมดอยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าคนไม่ดีอยู่คนหนึ่งมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดแหละ เพราะฉะนั้นพระรูปนี้ทั้งก็เหมือนกันนะนะด้วยริสยาก็เลยอาหารนี้ก็ไม่ไม่เอาไปถึงพระแร้วก็เอาไปเททิ้งไว้ข้างๆถน น, นนะทีนี้ไปถึงที่อยู่ของพระเถระดูพระเถระในที่นั้นก็ไม่เห็นไปเอาไม่เห็นพระเถระเลยนะรู้เลยว่าองค์นี้นะที่ที่เป็นปกติก็เป็นพระที่ดีมาตลอดอยู่แล้วพอไปไม่เห็นพระคันตุกะเข้าท่านรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้น บอกท่านในอัตถกถาเทระคถาเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าท่านนี้ไปฉันอุจาระทันทีเลยโดยด่าพระหันเนี่ยนะไปเปิดส่วมดึกเอาอุจาระมาฉันแล้วก็แล้วก็ดื่มปัสสาวะเลยนะตั้งกชาตินั้นแหละตั้งกชาตินั้นในอัตถกถาเทรคถากล่าวไว้ทีนั้นสมณธรรมแม้ที่เธอทําไว้สิ้นสองหมื่นปีไม่อาจจะรักษาเธอไว้ได้เพราะเธอทํากรรมประมาณนี้นะนะเรียกว่าอายุ ป, ประวาทนะไปด่าพระหันสี่คำนะหนึ่ง ชั้นอุจระสองเอาแปรงตาเนี่ยถอนผมสามเป็นนอนบนผืนดินนะนอนบนแผ่นดินแล้วก็อย่าไปนุ่งผ้าแปลว่าไปแก้ผ้าเข้าไปนะก็บอกว่าท่านสิ้นอายุก็ไปเกิดในอเวจีนรกแล้วก็เสเวยทุกเป็นอันมากสิ้นพุทธันดรหนึ่ง เขาบอกว่าสิ้นพุทธันดรหนึ่งเขาแผ่นดินหนานหนึ่งโยดกับอีกสามคาบุษแผ่นดินหนานหนึ่งโยดสามคาวุธโยศหนึ่งก็ประมาณสักยี่กิโลสามาบุธก็หลายกิโลอยู่เหมือนกันมันร่วม20่กิโลเนี่ยนะเขาบอกว่าไอแผ่นดินเนี่ยมันหนาขึ้นขนาดนั้นนะไม่ในนรกเนี่ยตลอดพอในทุบพุทธบาตรการนี้ก็เกิดในเรือนแห่งตระกูลซึ่งมีข้าวน้ํามากในเมืองราชครึกก็มาเกิดในเมืองราชครึก คือบุญก็ส่วนบุญนะนะบาปก็ส่วนบาปะนะมันก็เอาบุญบาปนี่มันแย่งกันหน่าดูเลยนะบุญก็ฉุดให้มาเกิดเนี่ยแถวๆเนี่ยบริเวณที่พระพุทธเจ้าไปโปรดนี่แหละเหมือนจำเดิมแต่การที่เดินได้ด้วยเท้าเขาก็ไม่ปรารถนาจะนอนบนที่นอนคือคือไอ้อัธยาศัยอันนั้นทำให้ไม่นอนบนที่นอนไม่ปรารถนาจะาบริโภคพัดไม่อยากกินข้าว เคี่ยวกินแต่สรีระวรัลัญชะแปลว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดจากสรีระอ น, นะก็ไปเที่ยวกเก็บกินของเก่าคนอื่นเน่ยนะจริงๆก็อินเดียไม่ค่อยอดอยากกันนะถ้าใครสมาทานกินอันนี้มันมีเต็มไปหมดให้กินเนี่ยนะโอไปเดินไม่ระวังไม่ได้นะเดี๋เดี๋ยวตับวางไว้เต็มไปหมดแล้วนะแต่ว่าก็กินแต่ของตัวเองอ่ะนะแล้วก็แขง็งข้อก้นหนึ่งก็เก็บกินไปด้วยทีนี้พ่อแม่ก็เลยคิดว่าเด็กเนี่ยมันยังไม่รู้มันยังก็เลยทําไป แม้แต่เวลาโตขึ้นก็ไม่ปรารถนาแม้จะนุ่งผ้ายผ้าก็ไม่นุ่งนะร่างกายนี่ก็เปลือยกายเที่ยวไปนอนบนแผ่นดินเคี้ยวแต่อุจระครั้งนั้นพ่อแม่ก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ไม่สมควรในเรือนแห่งตระกูลเะนั้นสมควรแก่อาชีวกกันนะเพราะสมัยนะั้น่ะลัที่แบบนี้มันก็พอมีนะรัที่แก้ผ้าเนี่ยมีเพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้ก็เลยนําไปสู่สํานักของอาชีวกแล้วก็ให้บวชแล้วก็มอบว่าให้อาชีวกเนี่ยทาให้เขาบวช เ <K un> ขาก็บวชทีนี้ไอ้ประเพณีของการบวชของเขาก็ต้องถอนผมด้วยแปลงตาเนี่ยนี่ก็เลยต้องขุดลุมเนี่ยเสมอคอเลยนะขุดลุมเสมอคอแล้วก็เอาไม้กระดานนี่มาวางบนบ่าแล้วก็ถอนเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันดิ้นนะอถอนกว่าจะหมดผมใส่มันต้ออาจจะซัดขนถอนก็ได้นะนั้นก็เลยขุดลุมเนี่ยเท่ากับคอเสมอคอไหมเอาไม้กระดานมาวางพาดบนบ่าเนี่ยนะเหยียบแล้วก็ถอนขนไปผมเนี่ยนะจนเต้นหมดศีรษะเลยนะ ก็ด้วยกรรมที่ไปด่าพลารหันเนกรรมที่ไปด่าให้ใช้เสียนแปลงตาเนี่ยถอนผมอ่ะนะตัวเองก็เลยต้องถอนถูกถอนอย่างนั้นไนอะ้ไมมในนรกมันก็หนักหนาเต็มทีเลยนะเศษเศษนะเนี่ยเรียกว่าพวกอภราปริยะเวทนิยกรรมแล้วก็อันนี้ให้ผลในประวัติการนะต้องถูกถอนผมเตียนหัวเลยนะกว่าจะหมดหัวนี่ต้องสเจ็บหน้าดูเลยนะ แล้วก็ถอนด้วยแปลงตาลําดับนั้นมารดาบิดาของเขาก็เชิญอาชีวกเหล่านั้นมามาฉันในวันรุ่งขึ้นะนะก็แล้วก็นิ่มนให้ไปฉันไออาชีวกคนนี้ก็ไม่ยอมไปะนะเขาก็บอกเออท่านไปฉันกันไปเจ้านี้ก็ไปเปิดซุ่มกินอย่างเดียวนี่นะคือไม่ยอมไปฉันอาหารขนาดไหนก็ไม่ฉันก็ไปเปิดประตูซุม่มก็ปั้นปั้ น, ปนเป็นคําแล้วก็กินไปทีนี้ก็ไม่ปรารถนาจะกินอาหารอย่างอื่น ตอนหลังนี่ก็อาชีวกนี่ก็ค่อยๆสังเกตดูนะวันสองสาเอ๊ะมันกินอะไรเห็นกินอะไรเลยไหมตอนหลังก็สืบดูพฤติกรรมเข้าอ้าวเนี่ยไปกินอุจจาระเนี่พราะรู้ว่าไปกินอุจจาระเข้าอย่างนั้นก็เลยไล่หนีกลัวจะเสียชื่อเสียงว่า ง, งั้นเถอะอาชีวะกินอุจจาระได้ยังไงกลัวจะเสียชื่อเสียงของสํานักก็เลยไล่หนีไปนะอันนี้ด้วยกรรมที่ไปด่าพระอริออยนะทีนี้พออาชีวกคนนี้ถูกไล่ออกไปแล้วก็ไปอยู่ในหินดาดก้อนหนึ่ง ที่เขาลาดเอาไว้ในที่ถ่ายอุจจาระของมหาชนองนั้นแหละทีนี้ก็มีกระพังใหญ่บนแผ่นหินดาดมหาชนก็อาศัยหินดาดเนี่ยเป็นที่ถ่ายอุจจาระเขาก็ไปในที่กินอุจจาระเนี่ยในเวลากลางคืนนะในเวลาที่มหาชนต้องการถ่ายอุจจาระเหนี่ยวเอ่อเหนี่วก้นหินก้อนหนึ่งด้วยมือข้างหนึ่งยกเท้าข้างหนึ่งไว้บนเขา่าแล้วก็ยืนเงยอ้าปากยืนอยู่ทีนี้กไ็ไอ้ความที่ไปทําตัวแบบนั้นเดี๋ยวคนอื่นก็จะมีพิรุษเข้า ก็เลยใช้แผนหลอกลวงประชาชนต่อไปเวลาเห็นคนมาถ่ายอุจาระมารายเข้าก็เลยใช้ขาอีกข้างหนึ่งยืนพื้นนะอีกขาอีกข้างหนึ่งมาเหยียบบนเขายกมือขึ้นยืนอ้าปากมหาชนเข้าไปก็ไาย ก, ก็ท่านผู้จเจริญทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงยืนอ้าปากเขาบอกเราเนี่ยมีลมเป็นผักษาเราไม่มีอาหารอย่างอื่นหลอกมหาชนส่งเลยว่ากินลมเหมือนกัน อา้าวเพราะเหตุท่านจึงยกเท้าอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยมีตบ่บะสูงมีเดชกล้ามากันพราะทัาแผ่นดินถูกเราเหยียบด้วยเท้าทั้งสองเนี่ยย่อมวันไหวเนี่ยแผ่นดินไหวหมดนะถ้าเหยียบสองเท้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกข้างหนึ่งเอาไว้บนเขายืนอยู่ก็เราเนี่ยยืนอย่างเดียวยังการให้ล่วงไปไม่นั่งไม่นอนยืนได้อย่างนี้มาตลอดเลยนะหลอกลวงเขาส่งเลยนะคือคือด้วยกรรมที่ตัวเองทํามามันก็บาปเลยใช่ไหม ไอ้ทิฐินะเป็นที่มาของมิจฉาทิฏฐิก็มาแทรกที่เรียกว่าเริ่มหลอกลวงมหาชนคิดขึ้นชื่อว่ามนุษย์โดยมากมักเชื่อเพียงถ้อยคําเท่านั้นอัตกตาท่านบอกเลยนะคนโดยมากเนี่ยแค่เขาเล่าก็เชื่อแล้วเหมือนกนเพราะฉะนั้นชนชาวอังคากระชาวมกรดโดยมากกระลือกระชอนมำหม่น่าอัศจรรย์จริงนะมันระบือไปหมดเลยนะว่าท่านผู้มีตาบะแม้ปะเห็นป่านี้ก็มีอยู่เนี่ยนะ ผู้เป็นเช่นเราเขาบอกว่าผู้เป็นเช่นนี้พวกเราไม่เคยเห็นอู้อะไรจะมีเดชมีตาบะขนาดนี้ก็เลยนําเอาสักการะเป็นอันมากเข้าไปให้ทุกๆเดือนอาชีวกก็บอกว่าเรากินแต่ล้มเราไม่กินอาหารอย่างอื่นเพราะเมื่อเรากินอาหารอย่างอื่นตาบะจะเสนนื่อมก็หลอกเข้าไปส่งอกีกก็ไม่ปรารถนาจะกินอะไรอะไรที่เขานํามาพวกมนุษย์ก็บอกว่าท่านผู้จเจริญท่านอย่าให้พวกกับผมชิ้นหายเลยการบริโภคอันคนผู้มีตาบะกล้าเช่นท่านกระทาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกกระผมสิ้นการลนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าท่านฉันให้เราบ้างเนี่ยนะสเราจะได้บุญมากเพานได้โป ร, โรเธอช่วยฉันในทีอาชีวกก็บอกว่าเราไม่ชอบใจอาหารทั้งนั้นแนะจะกินล้มยังเดียวกงั้นนะ <c oughs> มหาชนรบกวนอ้อนวอนมากๆก็เลยวางเพสัตวเนยสายน้ำอ้อยเป็นต้นนะเอาไว้ที่ปลายลิ้นนะเอาปลายยาคานี้ไปจุ่มซะหน่อยแล้วก็มาแตะปลายลิ้นนิดเดียวพอละ ก็บอกท่านจงไปเถิดก็บอกเท่านี้ก็พอละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายโอ้ได้บุญแล้วว่างั้นได้อันนี้สงเยอะเลยว่างนันนั้นอาชีวกไปเลยหนึ่งเป็นคนแก้ผ้าเปลือยเนี่ยนะกินคูดถอนผมนอนบนแผ่นดินให้การล่วงไปอย่างนี้ห้าสิบห้าปีนะก็นับถือกันยกหญ่เลยเนะี่ก็อินเดียเขานับถือประเภทอย่างนี้อยู่แล้วตลาดตลาดเขาก็นับถืออยู่แล้วไม่แปลกลนะยุคนี้ก็ยังมี กนะุมภาเมล่าเขามีนักบวชแก้ผ้ามาร่วมร่วมกันเนี่ยเป็นล้านนะไม่ต้องห่วงมันนับถือกันได้เป็นล้า น, ลานเลยนะ